เป็นชาวต่างประเทศมามาจากที่ไหนสวีเดนเขาอยากจะถามอะไรหรือเปล่าดีกว่อ่าจะนั่งฟังนะโอเค okay. <Okay. S 1> วันนี้ก็เป็นวันพระภาษาบาลีท่านเรียกว่าวัน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 เหนือกว่าความรู้ต่างๆทางโลกของทางโลก mm hmm. เพราะความรู้ทางโลกเป็นความรู้สําหรับการเลี้ยงชีพเป็นการทำมาหากินมีความรู้ทางโลกก็สามารถไปทํางานประกอบอาชีพที่สดเจริญหารายได้เข้ามาจุนเจือให้แก่ร่างกาย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 การค้าก็เอาไปใช้ในการค้าขายอาชีพประวัติศาสตร์ก็เอาไปเป็นครูสอนให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้อาชีพต่างๆเหล่านี้ความรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นความรู้ที่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 อย่างสมัยนี้ก็เหมือนกันสมัยนี้โรงเรียนก็ไม่ได้สอนวิชาธรรมะ ก, กันสอนแต่ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์สอนภาษาต่างๆวิทยาศาสตร์ถ้าต้องการศึกษาความรู้ของพระพุทธเจ้า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 ธรรมะก็ได้รับการพัฒนาไม่ใช่ตัวธรรมะเองแต่ตัวเผยแผ่ธรรมะตัวธรรมะของพระเจ้านี้ไม่ต้องพัฒนาเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาขึ้นอีกแล้วสวารขาโตพระกวาตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว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 ไม่ไม่เรียนต่อก็จะลา้าล้าหลังจะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพสู้ผู้ที่เขามีความรู้ใหม่ๆได้อตวิชาทางธรรมนี้ถ้าเรียนจบแล้วก็ถือว่าครบแล้วจบแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะ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 พระพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เป็นหนูตะเภาตัวแรกพระพุทธเจ้าทรงใช้ใจของพระองค์เป็นที่ทดสอบอายาที่จะมารักษาโรคภัยไขยเ้เจ็บของใจไม่ได้ไปจับหนูตะเภามาทดสอบเอาตัวของพระองค์เองนี่เป็นหนูตะเภาตัวของพระองค์เองเคยมีความทุกข์ความวุ่นวายใจ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 ที่สามารถรักษาความทุกข์ทางใจให้หมดไปได้อย่างราบคาบไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนี่เป็นสาเหตุที่คนที่มีความปรารถนาที่อยากจะรักษาโรคใจจึงได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอน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 ที่ผู้ที่สนใจอยากจะรู้จักวิธีรักษาโรคใจให้หายบําบัดความทุกข์ใจต่างๆให้หายไป <c oughs> ก็เลยต้องมาที่วัดกันเก็ถึงเรียกว่าวันธรรมสวรรควันธรรมสวรรคแปลว่าวันฟังธรรมแต่เราคนไทยชอบเรียกสั้นๆเราก็ เ, เรียกว่าวันพระ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 บำบัดความทุกข์ทางร่างกายได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นคนที่มีความรู้มากก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการเลี้ยงดูร่างกายคนที่มีความรู้น้อยก็เหนื่อยเพราะไม่มีความรู้ก็เลยต้องใช้แรงงานแปงกายเป็นการบำบัดความขาดแคลนของร่างกาย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 ถึงจะได้ ง, งงานต่างๆอันนี้เขาก็ต้องอาวุธสูงอย่างน้อยก็ม6หรือปวชถึงจะสามารถที่จะได้ไรายได้ขนาดแรงงานขั้นต่ำถ้าอยากจะได้มากกว่าแรงงานขั้นต่ำก็ต้องจบปริญญาปริญญาตรีอันนี้เท่าไรหมื่นสองหมื่นน้ำตน้นถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นก็ต้องจบ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 เมื่อศึกษาแล้วก็นำอาอกไปใช้ประกอบการรักษาโรคใจของตนเองคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกขั้นนี้สอนไว้เพื่อกาจัดเชื้อโรคของใจร่างกายมีเชื้อโรคเช่นเชื้อเอดเชื้ออะไรอย่างนี้ถ้าติดเชื้อเอสดเกินไปถ้าไม่รักษาก็ตาย แต่ถ้ามียารักษาทำลายเชื้อเอชได้ร่างกายก็ไม่ตายร่างกายก็อยู่ต่อไปได้ฉันใดเชื้อโรคของใจที่ทำให้ใจทุกข์วุ่นวายกังวลวิตกว้าวุ่นขุ่นมัวเศร้าโศกเสียใจนี่ก็คือกิเลสตัณหานี้เองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง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 จเจริญในทางลาบยศสรรเสริญเจริญในทางชีวิตอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยู่ไปนานๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายอยากให้จเจริญในเงินทองเข้าขอ ง, งต่างๆอยากให้มีเงินมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นมีหน้ามีตามีเกียรติยศความอยากเหล่านี้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 ไม่อยากให้มันตายกันตามอยา่างเหล่านี้แหละสามตัวนี้ที่เป็นเหตุที่ทําให้ใจของเราวิตกกังวลกันทุกข์กันเช่ น, นเราก็กังวลว่าเงินจะหมดนี่กังวลว่าตําแหน่งที่เราไปอยู่นี้ฮจะถูกเขาเอาไปปลดเราออกจากตําแหน่ง <c oughs> โยกย้ายบางที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 แต่ไม่อยากจะเจอโลกที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้ไปจองสาราวัดได้แล้วพอได้ได้ยินอย่างนั้นใจก็ทุกข์มากเป็นไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำอะไรอันนี้เกิดจากความอยากของเราเองอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราเสื่อม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 ส่วนใหญ่เขาก็ไปฝังเรื อ, อไปเผา mm. นั่งกายก็พอตายแล้วมันก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปก mm. ็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าตายแล้วก็จบ mm. ชีวิตของเราก็มีแค่นี้ mm. จบที่ความตาย mm. ก็เลยกลัวความตายมาก mm. ไม่อยากตายยิ่งไม่อยากตายยิ่งทุกข์ใหญ่ ไม่มีใครรู้ว่าเหต to to us, was ุท sure ี่ทำให้เราทุกข์ก็คือความไม่อยากตายนี่เองความอยากอยู่ความไม่อยากตายทำให้เราทุกข์กับความตายของร่างกายมีพระพุทธเจ้าที่มาพบคนควาพบว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยู่กับความไม่อยากตายนี่เองถ้าเราตัดความอยากอยู่ตัดความไม่อยากตายได้นี้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 แต่ของทุกอย่างที่ได้มานี่จะต้องวันมีวันหมดมีวันเสียมีวันเสื่อมถ้าร้วาทุกอย่างต้องเสียต้องเสื่อมก็อย่าไปอยากได้สิอย่าไปอยากมีถ้าไม่มีก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่จะต้องเสื่อมจากเราไปได้อะไรมาก็ต้องมาทุกข์กับส <The media> ิ่งที่เราได้มาเพราะกลัวมันจะเสื่อมกลัวมันจะจากเราไป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 อยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้เพราะยอมตายถ้ามีก็อยู่ต่อไปถ้าไม่มีก็ตายตายก็ยอมเพราะว่ามีหรือไม่มีก็ต้องตายอยู่ดีใช่เราไปกังวลกับมันทำไมไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทำไมไปทุกข์เพราะว่าอยากจะมีพอมีแล้วก็ไม่อยากจะให้มันไม่จากเราไปไม่อยากให้มันจากเราไป ที่คือความความทุกข์ของพวกเราไปหลงคิดว่าการมีแล้วจะมีความสุขแต่การมีอะไรนั่นแหละเป็นการมีความทุกข์เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาพอมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเพราะไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี่จะต้องจากเราไปอยู่ดี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 ตัวรู้ตัวคิดนี้ก็ไปซื้อร่างกายอันใหม่ไปหาท้องของใครที่กําลังตั้งท้องอยู่พอใครตั้งท้องก็ไปจองไว้เลยพอเก้าเดือนก็ได้ร่างกายได้มือถือเครื่องใหม่ออกมาแล้วพอออกมาก็ต้องหัดใช้มือถือก่อนเพราะมือถือแต่ละเครื่องก็ต้องหัดใช้เราซื้อมือถือเครื่องใหม่นี่เราก็ต้องหัดใช้ อันใดพอเราได้ร่างกายมาเราก็ต้องหัดแล้วหัดกินหัดหายใจหัดดื่มหัดขับทายหัดอาบน้ำอาบท่าหัดเดินหัดนั่งหัดทําอะไรต่างๆหัดพูดหัดภาษาอะไรอันนี้เวลาได้ร่างกายอใหม่ก็ต้องมาหัดกันกว่าจะเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่ก็ยี่สิบปีไปแล้วนู่น ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วแสดงว่าใช้ใช้ร่างกายนี้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างปลอดภัยคนที่ต่ำกว่าบรรลุนิติภาวะนี้เขาถือว่ายังไม่ปลอดภัยยังต้องอยู่กับคนที่รู้จักวิธีใช้ร่างกายนี้ก่อนคือพ่อแม่ก่อนต้องให้พ่อแม่สอนวิธีใช้ร่างกายนี้อย่างถูกต้อง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 ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ที่จะขับตัวรู้นี่ให้ไปรับผลบุญผลบาปก็คือความอยากต่างๆนี่เเวลาเรามีความอยากเราอยู่เฉยๆได้ไั้ยตัวรู้อยู่เฉยๆได้ไหมพออยากกินกาแฟนี่ต้องไปหากาแฟมาละอยากดื่มเบียร์ก็ต้องไปหาเบียร์มาดื่มนะอยากมีแฟนก็ต้องไปหาแฟนนะอยู่เฉยๆไม่ได้ นี่คือความอยากตัวที่เป็นเครื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่จะฉุดลากตัวรู้นี้ให้ไปหาสิ่งต่างๆถ้าอยากได้สิ่งที่เป็นลูกเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยต้องไปหาร่างกายกันพอร่างกายอันนี้พังไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้พังไป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 การที่จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์มาเกิดใหม่แล้วพอมาเกิดใหม่ก็มาทําตามความอยากใหม่เวลาทําตามความอยากก็บางทีก็ทําถูกบ้างผิดบ้างคือทําถูกศีลธรรมหรือผิดศีลธรรมถ้าอยากมากๆแล้วหาโดยวิธีถูกศีลธรรมไม่ได้ก็เอามันผิดศีลธรรม ถ้าต้องโกงก็โกงถ้าต้องขโมยก็ขโมยถ้าต้องโกหกก็โกหกเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้หรือได้ทาในสิ่งที่อยากจะทำก็จะสะสมบาปไว้ในใจเวลาตายไปบาปนี้ก็จะเด้งให้ไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นเดชะชานแต่ถ้ามีคนสอนว่าอย่าทำบาป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 เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนบางทีก็เรียกนางถ้ามีผัวก็เรียกนางถ้าไม่มีก็เรียกว่านางสาวกิเลสตัณหาก็ตัวเดียวกันความโลภกับความอยากก็ตัวเดียวกันความโลภก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตัณหาก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงแต่ว่าตัณหานี้ไม่ได้แสดงไม่ไม่ไม่มีความโกรธตามมาไม่ได้แสดงเวลาโลภแล้วอยากได้อะไรไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธ พี่โลกก็เพราะหลงหลงคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงแล้นได้มาแล้วกลับมีความทุกข์คนที่ไม่หลงเขาก็เลยไม่โล่ไม่อยากได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่หลงพระพุทธเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขจึงไม่อยากได้อะไรก็เลยไม่มีเครื่องยนต์เครื่องจักรที่จะนึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ พระพุทธเจ้าพอร่างไม่มีร่างกายแล้วท่านก็อยู่กับที่เี่ยที่ตรงที่ท่านอยู่นั่นเรียกว่นนานิพานะที่ที่ไม่ไปเกิดอีกแล้ว<ม>เหมือนเป็นที่จอดรถนี้ที่จอดรถนี่เวลาจอดรถแลด้วรถมันไม่วิ่งไปไหนแล้วใช่ไหมถ้า<ม>ยังอยู่บนท้องถนนนี่มันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมามพวกเราจิตใจของพวกเรายังอยู่บนท้องถนนกันอยู่ยังวิ่งวนรอบวงเวียนอนุสาวรีย์อยู่เนี่ย วนกันอยู่นั่นนะไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เหนื่อยบ้างหรอขับวนอยู่นั่นนะพระพุทเจ้าท่านฉลาดท่านหลงพอแล้วเบื่อแล้วหาที่จอดดีกว่าก็เลยไปจอดที่นิพพานเที่จอดของของคนที่ไม่มีความอยากของเครื่องของรถที่ไม่มีเครื่องยนต์เ่รถไม่มีเครื่องยนต์มันก็วิ่งไม่ได้มันก็จอดที่จอดรถเนี่ยใจที่ไม่มีความอยากก็จอดอยู่ที่นิพพาน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 องคุลิมานก็เลยได้ไปที่นิพพานไปได้ที่จอดรถที่เดียวกับพระพุทธเจ้าใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากก็เป็นเหมือนรถที่มีที่จอดรถที่ยังไม่มีที่จอดก็ต้องขับไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆรถคันเก่าพังไปก็เปลี่ยนคันใหม่หาใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด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 นั่งสมาธิให้เจริญปัญญานี่ก็เป็นวิธีหยุดความอยากทั้งนั้นเองเช่น <c oughs> <c oughs> ให้เอาเงินที่เราจะไปซื้อของตามความอยากนี้เอาไปทําทําบุญทําทานแทนวันนี้จะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวนี้มาทําบุญแทนนแล้วความอยากเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปต่อไปก็ไม่อยากเที่ยวเมื่อไม่อยากเที่ยวก็สบายเวลาไม่มีเงินจัดเที่ยวก็ไม่ทุกข์ ถ้าอยากเที่ยวแล้วเที่ยวมันก็จะติดแล้วอยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินเที่ยวก็จะทุกข์หรือเวลามีเงินเที่ยวแต่ร่างกายไม่สบายไปเที่ยวไม่ได้ก็จะทุกข์อีกฉะนั้นท่นบอกให้เอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากต่างๆนี้เอาไปทําบุญให้หมดอย่ากเก็บเอาไว้แล้วต่อไปจะไม่มีความอยากเที่ยวไม่อยากซื้ออะไรไม่อยากทำอะไรตามความอยากอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อน ถ้าใช้เงินตามความอยากแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอหมดก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆแล้วหาก็ไปเสี่ยงกับการทำบาปอีกเนี่ยงั้นเอามาทาบุญดีกว่าได้บุญไม่ต้องทำบาปรักษาสี…ลก็เหมือนกันเวลาอยากจะขโมยก็อยา่าไปก็ใช้ละใช้สีลรักษาก็ไม่ได้ไปขโมยก็หยุดความอยากขโมยได้เวลาอยากจะโกหก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 ปฏิบัติได้ความทุกข์ต่างๆก็จะเบาไปเบาลงไปและหมดไปในที่สุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรินติสาครัง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 มาเตผวัตวรรตราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนาสีฤทษะนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรรมาวาทาติอายุวโนูสุขังภาลังวันี้ยอ ผู้ชมเ c e b o o k อ่าสมงสุดอยู่ที่4 45ครับแต่ก็4 30 4 40ตลอดนบแล้วเฟซอ่า u t u b e อยู่ที่ประมาณ50นะครับเส่ินวิธีว่า20ครับใครที่มาทีหลังอยากจะเข้ามาถวายข้าวของหรือมายับหนังสือ c ีดีก็เชิญเข้ามาได้นะ ถวายของเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับอ่กลับมาแล้วเซลฟี่เซ <c oughs> ลฟี่ <c oughs> มือถือที่าดไม่ได้แล้วนะวันน <c oughs> ี้มามาอยู่ค่ะแล้วออกมาจากที่ค่ะเออดีมาทำใจให้สงบนะ ไปมาปล่อยวาง่ามีน้ำ10แกลลอนี่ยมไว้ตรงเอาไว้ตรงหน้าประตูเดี๋ยวให้ใครยกมาจะไว้ที่หน้าประตูนี้นะค่ะให้ผู้ชายที่ใครมีแหลงของไม่ต้องวา้ามงเล้วทกคนาต้องการถือด D ก็หยิบได้นะหยิบได้เลยนะครับประวัติผมขยาวบะยู ติดต่อได้ที่พักเราเลยดีเก็บตัวนะไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งหมดปิดเครื่องได้ปิดไปเลยเดินใจเข้าข้างในพุดโทพุดโท้ปิดตาหูจมูกนิ้กายอกายใจจะได้สงบถ้าไปรับรู้แล้วมันไม่สงบเราจะเสียเวลามาเสียเวลาปะ่าๆ ต้องสื้อซีดีได้นะแล้วต้องการพอกับแม่ผมครับออ่าอ่าสาธุได้ฟังเทศแล้วเปล่าอ่าดีอ่สาธุนะอ่าเราธรรมะนยเอาวางที่สองอ่าธรรมะนี้เป็นที่พึ่งทางใจได้อมีธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์นะ โอ้ไม่เยยิ้มไม่ได้ยินก็แล้วไปยิ้มไว้ก็แล้วกันยิ้มไว้ก็ใช้ได้ละเพิ่มมาที่พี่เพิ่มมาครั้งแรกนลูกชายลูกชายเดี๋ยวนี้เขาสนใจเขามาบ่อยแต่เมื่อตอน น่าจะสามสิบปีแน่นอนเดนมันโบดชีอยู่ที่เนี่อตอนนั้นสมัยแม่ชีวิมลตอนนั้นนะท่านท่านมาแล้วามาวมอยู่แล้วเรามาตั้งแต่ปีสองเจ็ดเรามาสามสิบสองปีแล้วยอมมาปีสองเก้าสองเก้าสามสิบปีก็สองเก้านี่รู้จักก็าตายไปส่วนใหญ่ตายกันไปหมดแล้วอ่ะ ทาทนทีก่อนนะโยมไปเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะถวายข้าวของเองนี่ยับซีดีซีดีแม่ไป ม, มีคร่องทำ ตอนตอนนี้นี่ครับอาจารย์ตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งวางโปรเจกต์ไ fi ไฟใหม่ตอนนั้นจะวางไวใต้ต้นไม้นั้นแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนวางไวตรงนี้เลครับทาให้แสงยามิ่งเลยครับดีจังแลอวลองทดสอบไปเรื่ยตอนมาอตอนนี้คือนิ่งเลยแข่งยูทูบวันนี้วิ่งแปดร้อยเก้าร้อยเมตรมันจต่อไม่เคยวิ่งอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่มีดอกเลยแต่ยามเฟบุ ใครอยากจะถามอะไรั้ย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 เช่นพระโสดาบันมีอะไรเป็นเครื่องบอกหรือไม่ครับก็พระโสดาบันก็ละสังโยชน์ได้สามข้อข้อที่หนึ่งก็คือสักจาติทิฏฐิข้อที่สองก็คื อ, อวิจิตกิจชาความลังเลสงสัยใน พ, ธพธระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลธรรัตปรมาจารการลูกคำ บางพระอาจารย์บางรูปท่านก็แปลว่าการรูปคําศีลคือไม่ไม่รู้ว่าศีลนี่แหละเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาต่างๆก็ไปแก้ปัญหาด้วยการไปบวงสรวงไหว้พระจันทร์ไหว้เทวดาไหว้นู่นไหวน้นี่ไม่มารักษาศีลกันถ้ารักษาศีลแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไป พระโสดาบันนี้ท่านจะเห็นว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากอยากได้สิ่งที่มันเราเอาไม่ได้เราก็เลยไปทำบาปพอไปทำบาปแล้วก็ต้องมารับผลบาป ก, ก็ไม่อยากจะให้เกิดผลบาปถ้าไม่ทำบาปมันก็ไม่จะมันก็จะไม่มีผลบาปเกิดขึ้นหรือถ้าทุกข์ใจเพราะเราต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป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 หรือของเสื่อมไปแล้วก็ทำไงให้มันกลับมาแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันท่านจะเห็นว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีมามีไปมีเจริมีเสือ่อมเสื่อมก็เสื่อมไปไม่ได้เดือดร้อนเพราะไม่ไปยึดไปติดงคำถามข้อต่อไปจากคุณวศนานะครับ สมาธิกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรคะสมาธิก็คือความสงบของใจวิปัสสนาก็คือความรู้ความฉลาดปัญญาคำถามข้อต่อไปจะคุณสุ ส, สุคุงนะครับสอบถามเรื่องการปฏิบัติสงสัยมานานแล้วหลังจากเราปฏิบัติภาวนาเสร็จแล้วจะต้องขอพรเพียงประการเดียว หรือขอหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วผลจริงๆให้ทุกครั้งที่เราขอหรือไม่ อ, อ๋อขอไม่ได้หรอของทุกอย่างต้องเกิดจากการกระทําของเราเองอยากจะได้อะไรต้องทําขึ้นมาที่ปฏิบัติเนี่ยเราเป็นการกระทําเพียงแต่ว่ามันยังทําไม่ครบหรือทํายังไม่ถึงมันก็เลยยังไม่ได้ผลก็ต้องพยายามทําให้มากขึ้นทําให้มันครบเมื่อทำได้ครบแล้ว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 พระธําของพระอาจารย์ไปด้วยได้ไหมครับจิตสงบดีใช่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแต่มปกติทั่วไปเวลาฟังเทศก็มักจะนั่งฟังกันแต่ถ้าจะเดินฟังก็ไม่มีอะไรถ้ามันอยู่ที่การลัเทศมั่งถ้าอยู่ตรงที่เขานั่งฟังกันเราไปเดินนี่ก็คงจะไม่เหมาะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราเดินฟังของเรามีมือถือ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 พอเวลาอยากไปอยู่แล้วเขาไม่อยู่เขาไม่เราอยู่ด้วยก็จะเสียใจอย่างถ้าอยู่คนเดียวได้ดีแล้วะดีที่สุดคำถามจากคุณกุ้งโยมหมั่นทำบุญให้แม่ประจำประจบ่อยๆเวลาทำก็ต้องตั้งจิตมุ่งมั่นให้แม่แต่ลืมกวดน้ำให้แม่ไม่ทราบว่าแม่ของโยมจะได้รับบุญที่อุทิบาย ไ, ไหมครับ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 เทวุลวายใจเขาไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจ น, นั่นเองพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจความวุ่นวายใจมันก็ไม่มีถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธคิดอยู่กับบทสวดมนต น, นี้มันจะไม่มีความวุ่นวายใจมันก็จะเย็นจะสบายมีความสุขครับคำถามข้อต่อไปอของคุณวิตามินซีและคุณพัชราภารวมกันนะครับการออกบวชท่าบิดามารดาไม่อนุญาต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 ถึงเวลาทำก็ทำถ้าไม่ได้ทำก็เฉยๆไปไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรอย่าไปอยากพอไปอยากแล้วมันไม่ได้ทำแล้วมันก็จะเครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาได้การอยากทำความดีก็ทำให้ทุกข์ได้อยากทำแล้วไม่ได้ทำงั้นเมื่อเมื่อยากทำแล้วไม่ได้ท ำ, ออ ก, ท ำ, ทำก็หยุดความอยากเสียแล้วมันก็จะหายเครียดคำถามจากคุณสิริวัน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 แล้วเราจะได้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปทไปไหนเหมือนวันนี้เราตั้งเป้าจะมาวัดเนี่ยนี่อธิษฐานก็คือแปลว่าวันนี้ตั้งใจจะมาวัดพอมีความตั้งใจแล้วมันก็จะมีการออกเดินทางมาถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดก็อาจจะไปที่อื่นก็ได้เพื่อนโทรมาชวนไปนู่นมานี่เขา ก, ก็อาจจะไป แต่ถ้าตั้งใจจะมาวัดพอเพื่อนโทรมาชวนพ็บอกไปไม่ได้วันนี้จะมาวัดยังถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้เราจะไม่ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการเพราะอาจจะมีเหตุการณ์มีอะไรฉุดลากเราไปที่อื่นได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าแล้วก็จะไม่มี เ, เหตุการณ์อะไรที่จะดึงเราไปได้ถ้าแต่นอกจากการตั้งเป้าแล้วเราต้องมีความจริงใจต่อการตั้งเป้าด้วยไม่ใช่ตั้งไว้เฉย พอถึงเวลาจะทํากั็น้มเหลวเพื่อนมาชวนให้ไปทําอย่างอื่นก็ไปแต่ถ้าเรามีความจริงใจความแน่วแน่ต่อการตั้งเป้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทําให้ได้เราจะไม่ไปทําอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ต้องมีสัจจะนอกจากสัจจะแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะทําตามที่เราตั้งใจไว้ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาอ้อนไม่ไหวแล้ว เ, เหนื่อยตั้งใจจะมาวัดแต่ นอนต่อดีกว่าวันนี้อันนี้เรียกว่าไม่มีความเพียแล้วนอกจากความเพียรแล้วต้องมีขันติความอดทนเวลาเดินทางมาอาจจะรถติดอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างแตก <c oughs> ก็ต้องอดทนอ่าแก้ปัญหาไปแล้วก็ออกเดินทางมาต่อถึงจะมาได้ถ้าไปเจอปัญหาอุปสรรคโอ้กูไม่เอาแล้วยุ่งยากกลับบ้านดีกว่าอันนี้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 เราจะตัดสะ้รูถ้าเรายังไม่ตัดสะรุเราจะไม่รู้จักที่นี่ไปโดยเด็ดขาดถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปเราก็จะไม่ขยับจะทุกข์ขนาดไหนจะเจ็บขนาดไหนก็จะทนจะไม่ลุกจะภาวนาไปจนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยพอมีสี่อย่างนี้แล้วรับรองได้อยากจะทำอะไรทำได้หมดสาเร็จหมด คำถามจะคุณวาสนาและสุวรรณาเหมือนกันนะครับรวมนะครับอ่าวันนี้เป็นวันสาธร์ลาวประเพณีห่อข้าวนะศาสตร์อ๋อเขาเขียนสาธร์ศารลาวประเพณีห่อข้าวน้อยที่เขาทํากันก็ทํากับพระช่วงเพลงแล้วเอามาวางตามต้นไม้เพื่อให้บรรพชุบรลุด ญาติๆมากินนี่จริงหรือเปล่าครับไม่จริงหรอกบ้านผู้โดยกินข้าวไม่ได้หรอกต้องกินบุญต้องเอาข้าวเหล่านี้ไปถวายพระหรือเอาไปแจกทานแล้วก็เอาบุญที่เราได้จากการถวายพระถวายข้าวนี้ไปอุทิศให้คนตายได้คําถามจากคุณนุชลีนะครับใส่บาตรเช้าทุกวันทุกวันแล้วไม่ได้กวดน้ําให้คนที่ล่วงรับไปแล้วเขาจะได้ส่วนบุญใหม่คะ่ะ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 อขั้นสมาธิก็ต้องถึงขั้นที่ว่าเราสงบดังเต็มที่สงบอย่างเต็มที่คือร่างกายหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวจักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสุขอย่างมากอันนี้เป็นสมาธิที่จะให้พลังต่อการเจริญวิปัสสนาต่อการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหา การที่เราจะเริ่มวิปัสสนานี้เพื่อที่จะไปฆ่ากิเลสไงถ้าเราเป็นทหารไม่ได้กินข้าวไปออกรบนี่เดี๋ยวก็โดนเขาฆ่าตายเพราะไม่มีกำลังเนี่ยสมาธินี้เป็นเหมือนอาหารของของใจใจที่จะออกไปต่อสู้กับกิเลสตันหานี้ต้องกินอาหารก่อนกินข้าวให้อิ่มก่อนสมาธินี้ทำให้ใจอิ่มทำให้ใจสุขทาให้ใจมีพลัง แล้วพอไปเจอกิเลสตัณหาก็สู้กับมันได้หยุดมันได้หยุดกิเลสได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิพอเห็นกาแฟก็ไปเลยกาแฟพอกิเลสบอกดื่มกาแฟก็ไปเลยแทนที่จะฆ่ากิเลสก็ไปรับใช้กิเลสเนี่ยเพอะไม่มีกําลังแต่ถ้ามีสมาธิใจอิ่มแล้วก็ไม่ชิวคุณไม่กินก็ได้กาแฟอิ่มใจแล้วใจมีความสุขแล้ว ความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันเดี๋ยวกว่าเดียวกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟมันก็เลิกดื่มกาแฟได้ดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าได้สมาธิขนาดไหนก็ทดลองเวลาอยากอะไรแล้วดูหยุดมันได้หอป่ะถ้าหยุดมไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังมีกำลังไม่พอคำถามจากคุณอักรุนพรนะครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า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 ความจริงก็อีกอย่างหนึ่งงั้นเดี๋ยวไปตัดแข้งตัดเขาต่อไปนี้ฉันไม่ต้องมีขาฉันก็เดินได้คําถามจากทาง y o u ูทูบนะครับจากคุณแนนนะครับอขอพระอาจารย์ช่วยกรุณายกตัวอย่างการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขะอนัตตาครับร่างกายเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอา น, นิจจังหรือนิจจังเที่ยงก็คือต้องอยู่ ไปตลอดไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บอันนี้จังก็คือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยเรืยตอนต้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยการเจริญออกมาจากท้องแม่กระตวนิดเดียวแล้วก็เจริญเติบโตอนี้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันะถ้าเที่ยงก็ต้องเป็นทาโลกตลอดเวลาออกมาจากท้องแม่ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนตุ๊กตาที่เราซื้อมาเนี้เที่ยงไหมตุ๊กตานี้มันเที่ยงนะมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย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 มันจะเปลี่ยนไปในทางไม่ดีแล้วเลยมันจะเริ่มแก่แล้วมันก็จะแก่เทละเล็กเท่าน้อยแล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อันเดียวมันก็ตายไปเน่ก็เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงก็สามสามันหรือสองอันหรืออันเดียวสามอันจับอนิจจังทุกขังอนัตตาครับอนิจจังอนัตตาก็คือมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราฮตัวเราก็ตัวรู้ตัวคิดเนี่ย ตัวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวรับใช้ตัวรู้ตัวคิดเนี่ยนะครเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมของมันเจ้าของเดิมของร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟพอร่างกายนี้ตายไปมันก็กลับคืนดินน้ำลมไฟก็แยกออกจากร่างกายไปน้ำก็ไหลออกมาลมก็ไหลออกมาความร้อนก็ไหลออกมาเหลือแต่ดินเรียกว่าเป็นดินน้าลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตา จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติก็นนะเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนีก็เป็นดินเนี่ยดินเป็นธรรมชาติหรือเปล่าลมมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าไฟมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีมมมตัวตนเราไปหลงไปไปยึดไปไปเรียกมันว่าเป็นตัวเราของเราเองเกิดตัวรู้ตัวคิดเนี่ยไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ข, ข, าขึ้นมาแล้วก็เลยไปยึดติดพออะไรเป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นของเรา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 พอไม่มีความอยากเหล่านี้ก็ไม่มีทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าพาาาระอรหันต์ไม่มีทุกข์เยพวกเรามีทุกข์ต่างกันตรงที่ว่าท่านรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราท่านรู้ว่ามไม่เที่ยงแต่พวกเราไม่รู้ว่ามไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็เลยไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราคําถามข้อต่อไปจากคุณวันเพ็ญนะครับไปทําบุญไหว้พระให้คุณพ่อคุณแม่ทุกวันจันทร์ เวลาทาสังฆทานดิฉันจะซื้อน้ําแดงถวายเวลาท่านฉ่บ น, น้ํามีความรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญนี้ด้วยไหมคะ อ, อ๋อไม่ได้แร้วถ้าเป็นเงินของเราเป็นความดําริของเราคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่ฝากเงินมาแล้วบอกว่าเอาไปทําบุญให้หน่อยอย่างนี้ถึงจะได้บุญบุญนี้ต้องเป็นเงินของเราเองและต้องเป็นความดําริของเรา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 ่มแม่ครับอ่าแม่บน่นแม่ไปบ่นให้คนอื่นบวชได้ยังไงนะก็รัลแล้วรับปากแม่แล้วเปล่าว่าถา้ถาถ้าไปรับปากแม่ว่าจะบวชให้แม่ตามที่แม่บ่นไว้ก็ต้องไปบวชจะได้ไม่เสียสัต์จ้ะคำถามจากคุณปักชุมชัยนะครับภูมิธรรมพระโสดาบันระหว่าง โซดาปฏิมักกับโสดาปฏิผลครับก็เหมือนกับเวลาเรียนปริญญาตรีกับรับปริญญาตรีเวลาเรียนก็เรียกมัก mm hmm. เวลารับปริญญาตรีก็เรียกว่าผลต้องเรียนก่อนเรียนสี่ปีถึงจะได้ปริญญา mm hmm. ต้องต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อละสักกายทิติสามตัวทําข้อสอบสามข้อให้ได้ละสักกายทิฐิละ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 เหมือนกันเะเหมือนกันอ่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันอ่าคำว่าเท่ากันเปนมคำว่ามันมันหนักมันเบาหรืออะไรมันหนักมันเบามันดีใจมันก็ดีใจเลยมันเสียใจมันก็ดีขึ้นมาเปใจมันไม่อยู่เฉยเฉยก็มันไม่เที่ยงแหะมันเกิดดับมันเป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาเหมือนกันถ้าไปยึดติดอารมณ์เวลาอารมณ์ดีหายไปก็ทุกข์เพราะอยากจะให้อยู่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 เคยพานานเจในหนันงสือนวะโกว่าที่บอกว่าสิ่งแปดก็คือไม่ไม่ที่ไปนวดกับหมอนวดไม่ทาเพราะมันเป็นความสุขจากการสัมผัส อ, อ๋อไม่เราแล้วแต่ว่านวดเพื่ออะไรนวดเพื่อรักษามันมันรักษาได้ไหมเอยียงพระก็รักษาไม่ได้สิเวลาไม่สบายปวดเมื่อยตรงไหนเทาต้องการมีการรักษาด้วยการบีบนวดก็บีบนวดได้เพียงแต่อย่าให้ผู้หญิงบีบให้ท่านเองอ่ เป็นพระก็ต้ให้ให้พระด้วยกันบีบให้บีบน้วดให้ก็พระถวายจับเส้นให้ครูบาอาจารย์กันเป็นปนี้เป็นปกติไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องการอารมณ์อะไรต่างๆเพราะไม่ได้ทําด้วยกามอารมณ์เหมือนกินข้าวเนี่ยกินได้สองแบบกินด้วยกามอารมณ์ก็ได้กินด้วยความจําเป็นก็ได้เอกินแบบกินยาก็ได้กินแบบเพื่อให้เกิดความสุขทางใจก็ได้ถึงไม่สอนให้กินแบบ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 เวลามีก็รู้ว่ามีเวลาหมดก็รู้ว่ามันหมดก็ให้มันกลับมาที่อุเบกขาอย่างเดียวอ่าเ อ, อเทวดากับพรหมนี่บรรลุอลหรหันต์ได้ไหมคะได้ก็เป็นจิตเดองเหมือนกับมันจิตของมนุษย์นี่แหละเพียงแต่ว่าจะยากง่ายตรงที่ว่าเทวดานี้อาจจะไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอน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 นอกจากพวกที่สนใจธรรมะจริ ง, รงๆก็อาจจะแวะไปตามวัดต่างๆเวลาไปถึงเมือง น, นั้นเมือง น, นี้ได้ข่าวว่ามีอาจารย์ดีอยู่ที่เมือง น, นี้ก็จะแวะไปกราบไปฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็อาจจะบรรลุธรรมได้ถ้าไปได้ยินได้ฟังธรรมแต่จะถ้าให้บรรลุด้วยตนเองนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าบรรลุได้ก็คงบรรลุไปนานแล้วนี่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดมารดาที่เป็นเทวดา ต้องมีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังถึงจะฟังถึงจะได้รู้ว่ามนุษย์ทำอย่างไรพอฟังแล้วก็บรรลุธรรมเป็นสโสดาบันขึ้นมาได้นะครับอาจารย์ครับขอถามคำถามนี้ครับเกี่ยวกับการตักบาตครับคือว่าทําไมเวลาตักบาตต้องถอดรองเ้าครับผมอ๋ อ, อสมัยโบราณนี่เขามีการถือว่าสูงต่ำเนี่ยคน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 ถอดแล้วก็อย่าไปยืนบนรองเท้านะ่ะบางคนถอดแล้วก็ไปยืนบนรองเท้าอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ถอดเลยเข้าใจไหมถอดต้องยืนถอดถอดแล้วต้องยืนบนดินเหลวงตาท่านเคยเคยว่าหรือสอนญาติโยมที่อใส่บาตรใส่บาตรแล้วใส่รองเท้าหลวงตาท่านบอกว่าเออเท้าเปื้อนมันดีกว่าใจเปื้อนนะอ่า เท้าเพื่อยมันนั่งง่ายกว่าใจเปื่อนมันนั่งยากกว่าคือการถือเนื้อถือตัวนี้ท่านถือว่าเป็นกิเลสเครื่องรองเท้าที่ใส่รองเท้าเป็นถบาาไม่ได้ไม่ได้นหรอแล้วสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยพระเจ้าก็เนื่องมันมันไม่ดีที่สมัยเข้าใจไหมป่ยเชื้อโลกมันเยอะอ๋อไม่เป็นไรหรอกสมัยก่อนก็เชื้อโรคก็เยอะเหมือนสมัยนี้แหละไม่เกี่ยวกันเนี ตาก็ยังเป็นขอทานอยู่เหมือนเดิมพระไม่ได้เป็นขุนนางเหมือนสมัยพระเหมือนพระบางลูกในสมัยนี้อยู่แบบขุนนางกันบินาบาบเดี๋ยวนี้ไม่บินจะได้ซ้ําไปต้องมีการจัดสำนกสํารับไปส่งพระเคนถึงกุฏิเลยอันนี้ก็เป็นพระยุคใหม่แต่พระยุคเก่าเขาก็ยังบินาบาบกันอยู่หมดหรืยัง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 เออการจะพ้นนรกนี้ต้องไม่ทําบาปคือต้องรักษาศี่ห้าข้อส่วนการทําบุญหรือไม่ทํานี้ไม่ได้ทําให้พน้นนรกทําบุญก็ไม่พน้นนรกถ้าไม่ได้รักษาสี่ห้าการทําบุญนี้เป็นการสะสมทรัพย์ไว้สําหรับพบหน้าชาติหน้าเช่นเกิดถ้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้มีทรัพย์ที่เราทําบุญในชาตินี้รอเราอยู่แล้วมีดอกเบี้ยให้ด้วยเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคาร พอถึงเวลาเราไปเบิกก็จะมีดอกเบีย้ยแถมมาด้วยเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำในชาตินี้ถ้าชาติหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้คืนบวกบวกดอกเบีย้ยด้วยและถ้าเรารักษาศีลด้ด้วยเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปอบายแต่เราก็จะได้ไปรับรางวัลไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนาการจะไปสวรรค์ได้นี่ต้องมีสองส่วนต้องรักษาศีลห้า แล้วก็ต้องทําบุญด้วยถึงจะไปสวรรค์ได้ถ้าทําบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลห้าไปไม่ได้ต้องไปอบายก่อนถ้าไม่รักษาศีลห้าบุญที่ทําไว้ก็ยังไม่มีผลมากนะนอกจากว่าถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็อาจจะไปเป็นเกิดเป็นหมาที่น่ารักคนก็เห็นก็ไปเลี้ยงดูนี่อาจจะเป็นอ น, นิสงส์จากการที่เราทําบุญไว้ะ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 เพราะเหตุนี้เอาอไม่บาปเราดีสิไงจะได้หมดเวรหมดกรรมกันห ม, กหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนพิดเจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด